إ ل هالأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله أرسله الله ب ا ل ه د ا و د ي ن الحق ليظهره على الدين كله ولو كل الكافرون. ل ق د قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أ و ذب الله الشيطان رجيم و ن ي س ر كل السراء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكروا ไหมยักษชาครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อในอถาธิบายในส่วนของซูรอปอ๋อแลเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องของการตักเตือนที่พระอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺอัตะอาลาได้บอกไว้นะครับหลังจากที่พระองค์ได้กล่าวไว้นะครับว่าวานุยัสซิรุกะลิลยุสรอเราได้ทําให้เจ้านั้นง่ายได้ในการที่จะได้รับในสิ่งที่ง่ายได้ เวลาดกล่าต่ว่าภากีรอินนฟติิกรดังนั้นเจ้าก็จงทำการตักเตือนเตือนสติกันและกันหากว่าการเตือนสตินั้นยังประโยชน์หรือแน่นอนการยังการเตือนสตินั้นเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์วักทิตามมาครับ s a ย์เดกเกอร์ไมยักชาแน่นอนผู้ที่เขามีความกลัวเกรงเนี่ยเขาย่อมที่จะคิดได้ ประเด็นตรงนี้ครับมีเรื่องที่มุสลิมเราควรที่ต้องมาทบทวนตัวเองกันมากหน่อยมีเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันค่อนข้างจะมากหน่อยใัยะรักกุมัยยักษชาผู้ที่มีความกลัวกเก่งนั้นเขาย่อมที่จะคิดได้ย่อมที่จะมีสติผู้ที่กลัวเก่งการคิดได้การมีสติแล้วก็ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเตือน ผู้ัศมีฮนตราบอกว่าผู้ที่มีความกลัวเกงอย่างแท้จริงไม่ยักชาพี่น้องเคยไหมครับที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเกิดคําถามกับตัวเองเกิดคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยฉันเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าหรือว่าตกลงฉันเนี่ยเป็นบ่าวของผูล้อจริงไหมโดยเพราะคนดีๆครับหลายครั้งเราจะพบว่าคนดีๆเนี่ยหลายครั้งเขาจะมีคําถามหลายครั้งที่เขาจะ สงสัยโดยเฉพาะเวลาช่วงที myself, ager, ่ إ ม م ا ن เราลดแน่นอนครับพี่น้อง إ ي م านของเรานั้นมีขึ้นแล้วก็มีลงถูกไหมครับเวลาที่เราต่ออาตทำอิบาระเยอะๆหรือบางครั้งเราได้ทบทวนเราได้อ่านเราได้ศึกษาเราได้คบคุกคีกับคนดีๆหลายครั้งเราจะพบว่าเราสูมผัสว่าอิมานเราเนี่ยมันมันขึ้นเราสูมผัสว่าเรารักอัลลอฮ์เราสัมผัสว่าเราในละหมาดเรามีความสุขเราสัมสว่าเราอยากทําความดีมากๆ ในขณะเดียวกันครับก็จะมีบางช่วงชีวิตของเราที่เราจะรู้สึกว่าเราห่างเหินจากผู้ล้อเหลือเกินเรารู้สึกว่าเรายึดติดกับดุลยามากไปหรือเปล่าเรากําลังสงสัยเราอาจจะตั้งคําถามว่าตกลงเนี่ยที่ฉันละหมาดเนี่ยผู้ล้อรับละหมาดของฉันไหมหรือว่าฉันเป็นยังเป็นมุสลิมอยู่หรือเปล่าพี่น้องที่รักแต่ใดก็ตามที่เรายังตั้งคําถามนี้ให้กับตัวเองอินชาอัลลอฮ์แปลว่าเรายังมีความกลัวในหัวใจเราอยู่ เพราะคนที่เขาไม่มีความกลัวในหัวใจเขาจะไม่ตั้งคำถามพวกประเภทนี้เขาจะไม่สงสัยว่าเอ๊ะฉันยังเป็นมุสลิมอยู่ไหมเขาจะไม่สงสัยว่าเอเ้าลอสจะรับการละหมาดของฉันไหมเ <s cuestión> ขาจะคิดเพียงแต่เข้าข้างตัวเองฉันเป็นคนดีแล้วที่ฉันทำเนี่ยอัลลอฮ์รับอยู่แล้วเนี่ยฉันทําอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยฉันมีความมัง่งคั่งเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาแปลว่าถ้าฉันตายไปเดี๋ยวเราแค่าาจะสิ่งที่ดีๆจะคิดแต่เข้าข้างตัวเอง <sm ell oni> อันนี้คือคนที่เขาไม่มีความหวาดกลัวแปลว่าพื้นฐานของการศรัทธาของมุสลิม ส่วนหนึ่งเราต้องมีความหวาดกลัวหวาดกลัวในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมุสลิมของเราหวาดกลัวต่อความกดกิ้วของพวกลัทธิสุบานในหัวใจเราเพราะนั้นพี่น้องที่รักครับย้ําอีกครั้งหนึ่งตราบใดก็ตามที่เรายังมีการตรวจสอบตัวเองตราบใดก็ตามที่เรายังมีความกลัวเกงกลัวว่าเราจะเป็นคนชั่วไหมกลัวว่าเราจะทําที่เราทำเด็ดดีไหมกลัวว่าที่เราทำเอาล้อจะรักไหมกลัวว่าล้อจะเกลียดเราไหมตราบใดที่พี่น้องอยังมี ความกลัวเมื่อเราได้ยินการตักเตือนเราพร้อมจะรับแล้วใครก็ตามที่พร้อมจะรับเขายังเป็นผู้ศรัทธาอยู่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่รับการตักเตือนในพี่น้องในยะกราเนี่ยในสุร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันอินชาลอ้อนในช่วงหลังผู<ม>้ร้อนกล่าวเขาไว้โดยใช้คําที่น่ากลัวมากๆใครก็ตามที่ไม่รับการเตือนผู้ร้อนเรียกเขาโดยใช้คําที่น่ากลัวมากๆตอนนี้เรามาดูกันครับว่าตกลงเนี่ย บุคคลประเภทไหนล่ะที่เขายังมีความกลัวเกรงอยู่เรามาดูในอัลกุรอานผู้ร้องพูดถึงใครบ้างที่เป็นคนที่ยังมีความกลัวคนที่การตักเตือนเนี่ยยังประโยชน์กับเขาเรามาเริ่มจากที่แรกในสุรัตเตาบาครับผมสุรัตเตาบาเป็นสุรัตที่พวกลอสสุภาในหัวตาลาพูดโดยใช้สำนวนที่มีส่วนที่รุนแรงแล้วก็มีส่วนที่เด็ดขาดพวกลอพูดแบ่งแยกไว้ชัดเจนระหว่างมุสลิมกับมูนาฟิกเพราะสุรัตอัตตาบาเนี่ยจะพูดถึงสงครามตะบูก ซึ่งช่วงสงครามตะบุกเป็นสงครามหนึ่งในไม่กี่สงครามครับที่ไม่มีการสูรบไม่มีการหลั่งเลือดแต่เป็นสงครามที่ทําให้มันชัดเจนขึ้นว่าใครเป็นผู้ศรัทธาแล้วใครเป็นโมนาฟิกอย่างที่เรารู้ถ้าเกิดวัฒนาการปกติเนี่ะแยกยากครับว่าใครเป็นคนกับกอกใครเป็นผู้ศรัทธาจริงเพราะคนกับกอกเนี่ยคำพูดเขาพูดดีเขาพูดฟังดูหรูฟังแล้วมันคล่องหูฟังแล้วมันแบบใจเราพร้อมที่จะรับ เขามีเหตุผลร้อยแเขาทําชั่วแค่ไหนเขาก็มีเหตุผลให้ความชั่วของเขานั้นดูดีได้นี่คือมูนาฟิกในยามปกติยากมากครับที่เราจะแยกออกว่าใครคือผู้ศรัทธาใครคือมูนาฟิกใครคือคนที่กลับกอกแต่พอในช่วงยามศึกสงครามอย่างในสงครามตะบุกนะครับชัดเจนเลยมูนาฟิกนี่คือออกลายเลยยาราซูลล่าเนี่ยฉันไปทําสงครามด้วยไม่ได้นะถ้าเกิดไปทําเนี่ยมันไป สงครามนี้มันมีส่วนเอี่ยวกับพวกโรมันซึ่งทางนู้นน่ยผู้หญิงเขาสวยมากๆากเลยถ้าเกิดฉันไปเจอหรือมันเกิดฟิตรนาแกรอซูลอัลอย่าทําฟิตรนากับฉันเลยนี่คือมุนาฟิกหรือบางคนบอกแกรอซูลอัลฉันไปไม่ได้จริงๆนะฉันติดเนี่ยพ่อแม่แกชราเนี่ยฉันต้องเงีฉันต้องอย่างนี้แต่ละคนจะมีเหตุผลบางคนก็ไม่พูดอะไรบางคนก็เงียบเงียบเนียนเียนเลยถึงเวลาเขาเดินทางยกทัพไปปุ๊บตัวเองก็ซ่อนอยู่ที่บ้าน พอถึงเวลาท่านบีกลับมาได้รับชัยชนะแบบท่วมทน้นเดยไม่ต้องต่อสู้ก็จะมาแล้วก็พูดคำที่หวานหูท่านอบีดูท่านอ บ, บีก็รู้รู้ว่าเนี่ยเป็นมูนาฟิกแต่หน้าที่ของท่านคือตัดสินตามหลักฐานที่มีต่อให้ท่านรู้ว่าในใจคิดคดขนาดไหน แต่ท่านนบีไม่สามารถตัดสินตามสิ่งที่อยู่ในใจได้เพราะมันเป็นเรื่องของพวกลัทธิสุบานหัวตาละท่านนบีก็ตัดสินตามที่เปิดเผยในพวกที่มีข้ออ้างเข้ามาเข้ามาเข้ามาท่านนบีก็อปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปนี่คือช่วงที่ทําให้ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยใครเป็นผู้ที่ยอมรับการตักเตือนกับใครเป็นผู้ที่กลับกอกหรือเป็นโมนาฟิก ผู้ที่ยอมรับการตักเตือนครับคือคนที่มาหาท่านอบีแล้วมายอมรับตร ง, ตร ง, ตรงๆเลยบอกว่ายาระซุลลอห์ฉันไม่มีข้ออ้างผมไม่มีข้ออ้างครับที่ผมไม่ได้ไปเนะี่ยผมหลงดุนยาไปชั่วขณะหนึ่งผมผิดไปแล้วยาระซุลลอห์จะทําอะไรก็ทำเลยนี่คือบุคคลที่ยอมรับการตักเตือนแล้วก็ยอมรับผลที่จะตามมาจากความผิดพลาดที่เขาทําไปพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าอิมานคนที่ทําผิดแล้วพร้อมที่จะยอมรับ ผลที่ตามมาในสภาพบ่าวที่รู้สึกผิดนี่คือผู้ศรัทธาแต่คนที่ทําผิดแล้วยังดันทุลังอยู่คนที่ทําผิดแล้วก็หาเหตุผลให้ตัวเองดูดีขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวเหลือเกินว่าเขาจะเป็นมนนาฟิกซึ่งอย่างที่เราทราบขึบน้นในเหตุการณ์เนี่ยซอบาสาท่านที่ว่าพลาดไปที่คิดว่าโอเคเดี๋ยวตามนบีไปน่าจะตามทานันแต่ไอ้คำว่าเดียเด๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเนี่ยมันเป็นโรคที่อันตรายผลสุดท้ายก็ไปไม่ทนันผลสุดท้ายก็ท่านอบีก็กลับมา ซอบาสสามท่านก็แผ่นาบีก็บอกตรงยาอุสรละเราผิดไปแล้วเราไม่มีเขาอ้างอะไรทําตามที่เหมาะสมเลยซึ่งตอนท่านนบีเห็นบรดดาซอบาสเหล่านี้ท่านน บ, แบบียิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มกดโกรธอะครับคือพวกมูนาฟิกท่านนบีรู้อยู่แล้วไงคือมันกับก่อคือไงมันก็เป็นคนช่วท่านนบีไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วแต่พอเป็นซอบาสคนดีดีท่านนี้คือท่านนบีก็ยิ้มแต่ท่านนบีก็ไม่พูดอะไรท่านนบีก็รอดูว่าพวกเขาจะพูดอะไรซึ่งพวกเขาแต่ละคนยอมรับตรงๆ ท่านอบีก็สั่งบรรดาซาบะให้บอยขอดคนดีสามคนที่เขาทําผิดไปบางคนคนจะแบบว่าเป็นมุนาฟิกดีกว่าเป็นคนกลับกอกดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดฉันกลับเกาะฉันเอาตัวรอดเนี่ยฉันไม่ต้องโดนบอยขอดเป็นเดือนๆ เ, เนี่ยถ้าเราหลงคํายุแยของไชยตอนถ้าเราคิดไม่ได้นะพี่น้องเราก็คงจะหาหาข้ออ้าง ท่านนบีมูฮัมมัดสุลัยสานบอกไว้ครับว่าจงพูดความจริงถึงแม้มันจะุมคืนแค่ไหนก็ตามหรืออีกบทหนึง่งท่านนบีบอกว่าจงพูดความจริงถึงแม้ว่าความจริงนั้นมันจะทําอันตรายกับคุณซอบาสามท่านนี้ครับโดนบอยขอดครับท่านนบีห้าไม่ให้ใครพูดด้วยเลยซึ่งช่วงหลังในท่านนบีไม่ให้แม้แต่ภรรยาอยู่ด้วยคือให้อยู่แบบสันโดษเลยบดามุนาฟี่ครับตีปีกดีใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรารอด แต่บรรดาคนดีๆดโดนบอยคอตหนักๆผลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับผลสุดท้ายพวกล้อสุภารัตนาประธานอายักษ์กุลานมาอยู่ในสุลตาเ่าบ้านนี่แหละประธานรับรองว่าพวกล้อได้ให้อภัยแก่พวกเขาที่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยแล้วในขณะที่มูนาฟิกสิ่งที่รอเขาอยู่คือการลงโทษตลอดการที่ทรมานที่สุดเกินจินตนาการในวันเกียรมะหตกลงพี่น้องว่าใครเลือก ทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าเรามองแค่ดุนยาเราคงเชียรมูนาฟิกเนี่ยเลือกแบบมุนาฟิกหนาะรอดเหมือนกับบางครั้งเราเองพี่น้องเอาคุยกันตรงๆอาจจะผมเองอาจจะพี่น้องเองบางครั้งเราจะเลือกให้มันรอดรอดก่อนบางที่เราเลือกโกหกคือขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนแล้วพอรอดปุ๊บเราคิดว่าเราดีรู้สึกดีเดี๋ยวค่อยไปขอต่อบะแต่พี่น้องเราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรรอเราอยู่ในโลกหน้า เหมือนกับบาดามุนาฟิกที่เขาไม่รู้เลยว่าอะไรที่อลัลลอฮ์เตรียมให้กับพวกเขาไอ้โลกเนี่ยเขารอดแต่โลกหน้าเขาไม่มีทางรอดแล้วโดนหนักด้วย mm hmm. เพราะนั้นครับเซย a กัลุไมยักษะคนที่มีความกลัวเขาจะคิดได้เขาจะรู้ว่าเขาทำผิดก็ต้องยอมรับตรงๆก็พูดไปตรงๆผลก็คือเขาก็โดนแค่ช่วงเวลานึงในชีวิตของเขาในดุนยาประมาณ40วันแต่พอผ่านไปปุ๊บ พวกล้อจะรึกพวกเขาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์อีกพันกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมุสลิมทุกคนได้อ่านใครก็ตามอ่านกุรอานจบทั้งเล่มใครก็ตามได้อ่านสุรตบาบะก็จะผ่านเรื่องราวของท่านทั้งสที่พวกล้อรับรองว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่มูนาฟิกแล้วพวกล้อรับการกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขาพี่น้องแน่ใจไหมจากกลุ่มคนที่เราดูปุ๊บโอ เป็นคนที่ทำไมทาผิดพลาดอย่างนี้ได้แต่ชีวิตเขาคงไม่มีดีเขาคงจะเจอนั้นเขาคงจะเจอนี้แล้วเขาก็เจอจริงๆแต่เพราะว่ามันผ่านช่วงหนักๆไปได้มันมีแต่ความงดงามที่รอเขาอยู่เพราะนั้นพี่น้องที่รักครับฝรักีรอินลาฟาติซิกร์สยัดดักกัลุมัยยักชานั่นนพู้ที่มีความกลัวเก่งเขาจะคิดได้เพราะนั้นในดุนยาเนี่ยเราต้องคิด เราต้องเลือกทางเดินที่มันถูกต้องเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติถึงแม้จะอยู่อย่างราชสีห์ที่อดอยากดีกว่าที่จะมีความสุขแล้วมีชีวิตเหมือนกับหมาขี่เรือนที่อิ่มหมีพีมันหลายๆคนเลือกจะอยู่อย่างสุนัขขี่เรือนพี่น้องขอให้ฉันได้อิ่มท้องเลือกหนทางที่ชั่วร้ายโดยไม่สนใจว่ามีคำตักเตือนอะไรมาบ้างเขาทาเป็นหัวทวนลมเขาไม่ได้รับผลยจากมัน แต่ผู้ศรัทธานั้นเขาจะได้รับประโยชน์จากการตักเตือนแล้วเขาก็จะยอมรับมันถึงแม้เขาจะทำอะไรผิดพลาดไปเขาก็ยอมรับผลที่จะตามมาเหมือนกับซอบ้าหลายๆท่านเหมือนกับเรื่องหุกลมการปลาด้วยก้อนหินจนตายในพี่น้องบางคนบอกทขาไม่ปลาเถอนอิสลามปลาเถอนคนที่มีคู่ครองแล้วยังไปทำซีนาอยู่ในความช่วสุดๆในอิสลามบอกให้ปลาด้วยก้อนหินจนเสียชีวิตเพื่อไม่ปีนเื่งอย่าง หลายๆคนมองว่ามันโหดร้ายป่าเถือนแต่พี่น้องรู้ไหมว่ากฎหมายเนี่ยตั้งแต่มีการกําหนดมาไม่เคยมีการปฏิบัติจริงนอกจากว่าเจ้าตัวจะมาร้องขอเองเพราะเงื่อนไขที่จะปาได้คือต้องมีหลักฐานต้องมีพยานสี่คนเห็นตอนที่หลับนอนเห็นตอนที่มีการส่อใสยกันเลยคือถ้าเกิดเห็นแค่ตอนจูบเป็นพยานไม่ได้เพราะฉะนั้นฮุกลกรมนี้นะครับจะตัดสินด้วยการปาก็เห็นได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้องมีคนเห็นตอนที่มีการหลับนอนกันจริงๆตอนเข้าพระเข้านางเนี่ยต้องมีพยาน4ี่คนไปยืนยันกับผู้วิพากษาด้วยนะไม่ใช่สารเตี้ยนะยืนยันกับผู้พิพากษาว่าคนเนี่ยทำจีนากันจริงๆซึ่งในบริษัทไม่มีครับไม่มีมีแต่ผู้ศรัทธาที่เขาทําผิดไปแล้วแล้วเขามาหานาบีแล้วมาบอกว่ายารสรลวนล้อฉันได้ทําผิดไปแล้วจัดการตามที่อับดลเบบีบอกเถอะ ซึ่งห ล, หลายเคสอย่างเคสมุสลมะท่านหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาที่ทำพลาดไปเนี่ยท่านอับดุลเบี๋ยมอฮัมหมัดสลายสลัมบอกว่าการเสียชีวิตนี้ของนางการเตาบ้าการกลับเนื้อกลับตัวของนางเนี่ยสามารถเตาบ้าเผื่อแผ่ให้กับคนได้อีกสี่สิบคนแปลว่าล้อรับนางนางอาจจะจบชีวิตในดุนยาแต่นางเสียชีวิตในฐานผู้ศรัทธาแล้วรอเข้าสวรรค์ตลอดกาล <c oughs> ไม่ถูกลงโทษอีกเลยในยไฟนรก เพราะนมุสลิมเราต้องมองให้ขาดครับไะยจักะรุไมยักชาถ้าเรากลัวจ ร, จริงๆเราจะคิดออกเรามาดูในซาตอบาครับส่วนที่ผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังว้อามาอุนจีละรตุงฟามินฮุมไยะกููอยุกุมซาดฮีอิมานะอ أ م ا الذين พอเรากล่าวไว้ครับสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาเนี่ย ที่เขารอรับฟังคำตักเตือนเนี่ยที่เขารอรับฟังสัจธรรมเนี่ยเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามเนี่ยเมื่อมีองค์การหนึ่งองค์การใดบทหนึ่งบทใดถูกประธานมาส่วนหนึ่งในหมู่ของพวกเขาครับจะมาพูดกันจะมาบอกว่า ใ, ใครบ้างในหมู่พวกท่านเนี่ยที่มีหมา ا เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับฟังอายะหนี้หลังจากที่ได้รับฟังสุรหนี้ ด้วยความที่รู้สึกดีแบบพี่น้องคนเราพอรู้สึกดีเราจะแชร์กันผู้ศรัทธาเวลาเรารู้สึกดีกับการศึกษาเราก็จะแชร์สิ่งที่เราศึกษาอย่างที่เราสังเกตครับหลายๆท่านก็จะมีการแชร์การเรียนการสอนเอาเนื้อหานะไปแบ่งปันกันมีการพูดคุยเวลาที่เราเข้าใจอะไรปุ๊บเรามีความสุขเราก็อยากจะแชร์กับคนที่เรารัก เนี่ยเธอรู้ไหมเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาล้อบอกงนี้นะอับดบาบอกอย่างนี้นะนอองงนะฉันมีความสุขจริงเลยในรับอายะกรานี้ إ ي م านฉันเพิ่มขึ้นเนื้อดีฉันทําตรงนี้ผิดไปแล้วนะตอนนี้ฉันสำเนึกผิดแล้วยาวล้อรับการกับเนื้อกับตัว إ ي م านเพิ่มขึ้นตัวเอง إ ي م านก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปถามคนอื่นด้วยว่ามีใครอีกไหมที่ว่า إ ي م านเพิ่มขึ้นรู้สึกดีอยากจะแชร์กันนี่คือผู้ศรัทธาครับเมื่อได้รับฟังอายะกุราน إ ي م านเพิ่มขึ้น เมื่อเห็นสัญญาณของอัลละ์อีมานเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็แชร์ความรู้สึกดีๆความรู้ดีๆอีหมานที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์จากเขาด้วยฟาอัมมัลละดีนะอามาลุฟซาดทุมอีมานาวะฮุมยาสตับชีรุนพวกเราบอกไงครับพอมีการพูดคุยกันมีการแชร์กันเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาอีมานเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเขาก็จะได้รับ แจ้งข่าวดีก็จะมีการขอให้ได้รับข่าวดีฉันอยากฟังอีกฉันอยากรู้อีกมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่ยเธอรู้ไหมเนี่ยยากุลาเนี่ยฉันู้ไปศึกษานะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงเหรอเธอบอกฉันหน่อยสิแล้เฉพาะมีมุสลิมเป็นจํานวนไม่น้อยพี่น้องอัลฮามดีแล้วที่พอมีการมาแชร์กันในระหว่างหมู่คนที่รักกันเนี่ยเขาจะกระตือรือล้นใครถามว่าเออวันนี้เธอเรียนอะไรมาเหรอเธอรู้อะไรมาเหร อ, อ, อมีประเด็นอะไรดีๆมาเหรอในขณะที่คนที่เขาไม่ได้รับสิ่งที่ดีงาม เขาจะเออฉันไม่อยากฟังฉันไม่อยากรับรู้ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นพูดมาฉันอยากฟังฉันอยากแชร์ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรดีๆฉันไม่เอาเราต้องตรวจสอบอ إ ي م านตัวเองนะว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนเพราะบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ศรัทธาได้รับฟังสุรร์ได้รับฟังอายะห์ปุบ๊บ إيمان ขึ้นไปแชร์กับผู้อื่นผู้อื่นที่เป็นผู้ศรัทธาด้วย إ ي م านก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยออมมลลุูบรด ฟาซาดต์หุ่มริจซันะอิลล <س ؤ ال> าริจซีฮิมว่ามาตูุ่น نعوذ บิลลาอฺมิน نعوذ บิลลาอฺมินดาริกข้พวจ้รมของพวกเราด้วยพเพราะว่ากล่าววไงครับส่วนใครก็ตามที่หัวใจของเขามีโรคไม่ใช่โรคหัวใจที่ต้องไปผ่าตัดนะพี่น้องโรคหัวใจดำเพราะอย่างถ้าเราลูกหัวใจของเราเนี่ยถ้าทำความดีเยอะๆ เ, เราจะแต้มขาวแต้มขาวแต้มขาวจนเป็นหัวใจที่สอาด แต่หัวใจที่มีโรคคือหัวใจที่คุ้นเคยกับความชั่วที่ทําความชั่วจนมันมีแต่แต้มดําจนคุ้นเคยกับความชั่วไปหมดเลยจนไม่รับพาไม่นําพาซึ่งสิ่งที่ดีงามได้รับฟังคําตักเตือนไม่สนใจถึงเวลาชอบไปด่าคนอื่นยกตัวเองว่าตัเองนั้นเหนือกว่าคนอื่นว่าอัมมาลตินาฟีกรูวิมารตส่วนใครก็ตามที่หัวใจของพวกเขามีโรคฟาซาเดธฮุมลิจจันอีลาลิจจีหิมความศกปก ก็จะเพิ่มเข้าไปในความสกประบกที่มีอยู่แล้วคือหัวใจของเขามันสกประบกอยู่แล้วพอมีอะไรกุรานเพิ่มมายิ่งสกประบกขึ้นไปอีกเพราะเขาปฏิเสธสัจธรรมไยเพราะเขาไม่รับมันก็บอกไม่เอาฉันไม่เอาอันนี้ไม่ได้มาจากอาจารย์ที่ฉันชอบฉันไม่รับฉันจะรับเฉพาะจากอาจารย์ที่ฉันรักตัวบทที่ชัดเจนไม่สนใจถ้าไม่ได้มาในรูปแบบที่ฉันชอบฉันก็ไม่เอาหรือถ้าไม่ได้มาแล้วด่าคนอื่นฉันก็ไม่เอานะอุจวินละ เะเธดชภูมิฤทธิ์จันทร์อีลาธิีมความสุขปกความโสโคกก็จะเสริมเข้าไปในหัวใจที่โสโคกอยู่แล้วขอรักคุ้มของพวกเราว่มาตูแล้วพวกเขาก็จะตายในสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องอายะกุรานี้น่ากลัวมากอายักุร์อายา่ายนี้น่ากลัวมากๆน่ากลัวตรงไหน แปลว่าพว้ลัทธซุบฮานหัวตราบอกให้เรารู้ค่ะว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยจะเป็นหัวใจที่ยอมรับการตักเตือนกับหัวใจที่ปฏิเสธการตักเตือนหัวใจที่ยอมรับการตักเตือนเมื่อมีสัญญาณเมื่อมีองค์การมาจากผู้ลัทธซุบฮานหัวตราเขาิ่งสยะสะอาดขึ้นเขาจ่งเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นหัวใจที่มีโรคต่อให้อ้างว่าเป็นมุสลิม มันก็จะมีแต่ความสปกปรกโศกโขกอยู่ในหัวใจนั้นแล้วเมื่อมีอายักษรานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความโศกยิ่งมากขึ้นเพราะเขาปฏิเสธอีกปฏิเสธอีกปฏิเสธอีกไม่คิดไม่นำพาแล้วผลสุดท้ายเขาจะตายในสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาน่ากลัวไหมล่คะครับพี่น้องแปลว่าผู้ที่ไม่รับฟังการตักเตือนบั้นปลายที่รอเขาอยู่คือการตายในสภาพของกาเฟส ซึ่งผู้ปฏิเสธศรัทธาอะไรล่ะคือสิ่งที่รอเขาอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแน่นอนไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแน่นอนซึ่งวลกราต่อครับเอาเวลาย่าเราณอันนั้หุมยุฟแตนูณฟีกุลีอาหมินมารตันเอามารตันในซุมมาลายาตูบูนเวลาหุมยาซักกรุนพวกเขาไม่เห็นแล้วบรรดาคนที่หัวใจสกรปรกเนี่ย เขาไม่ได้สังเกตเลยหอว่าแต่ละปีเนี่ยมันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาครั้งสองครั้งไปแ่อย่างน้อยบางทีธุรกิจทำไมมันทำแล้วมันไม่จะเดินงอกงามสักทีบางทีเงินก็เยอะเนี่ยแต่ทำไมอยู่เงินมันก็หายไปหรือทำไมเดี๋ยวอยู่ฉันก็ไม่สบายทำไมอยู่คู่ครองฉันก็มีปัญหาทำไมอยู่ๆมีการคบชู้สู่ชายทำไมลูกฉันเสียคนคนละบอกไม่ได้คิดบ้างเลยเหรอ สำหรับคนที่เลือกมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยหรือคนที่มีศัตธรร ม, มาหาเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาเลือกปฏิเสธเนี่ยเขาไม่เคยสังเกตหรือว่าด้วยกับการปฏิเสธนั้นมันนําสิ่งชั่วร้ายอะไรมาสู่เขาบ้างไม่ใช่แค่หัวใจที่สกรปรกแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันประดังประเดขเข้ามาหาเขาด้วยมันไม่ใช่บททดสอบที่มาด้วยความรักแต่เป็นบททดสอบที่เป็นการเตือนสติที่ถ้าเขายังคิดไม่ได้สิ่งที่รอยอยู่คือการตายในสภาพผู้ไปเสียสธา เวลาฮุมจะยักการุ่คนที่คิดไม่ได้ยังไงมันก็จะคิดไม่ได้พี่น้องว่าอิมาอุนซีละูรตะนะระบดูฮุมอละบะฮัยร่าคุมมินอัดินทุมมันซรฟูซาร์ฟัลลัลฮุคุลูบะฮุม ب ي ุมเคอุมละยกามนพี่น้องจำได้ไหมที่เราเคยพูดุยกันไปว่าผู้เผยเสสดานยุคสมัยท่าบีโมสลอฮสลมเนยอบูจ่นเนี่ยหรือว่าคนช c ่วช้าทั้งหลายเนี่ ถึงเวลาเนี่ยด่าว่านับีตอนเช้าแต่ตอนกลางคืนมารับฟังกุรอ่านทำไมฟังครับเพราะเพราะดีเขาชอบมันไพเราะดีแต่เขาไม่รับฟังสันธรรมเอาแค่ที่ไพเราะเหมือนกับมุสลิมในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าเราจะเผยแผ่ด้วยกระเสียงเพลงเป็นไงครับผลสร้ายร้องเพลงกันเพลงพอดีถามว่าได้ประโยชน์จากเนื้อหาของเพลงที่ร้องไหมไม่ได้พี่น้องไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงๆครับ พี่น้องไปสังเกตเลยเดยเพราะคนที่ชอบร้องเพลงมากๆเนี่ยเวลาร้องเนี่ยมันอินแต่เนื้อหาสาระเขาไม่ได้ไประโยชน์จากมันคนที่ร้องเพลงคาสิพานามแบบถึงเวลาร้องใส่ทํานองใส่จังหวะเหมือนจะร้องให้บีบคั้นหัวใจพอร้องเพลงเสร็จจบกลับไปหลงระเริงกับดนตรีญญต่อสิ่งใดก็ตามที่ผ่านรูปแบบที่ฮารอมมันไม่มีทางไปสิ่งที่ดีผมไม่ได้พูดถึงนาชีตนะถ้านาชีตที่ไม่มีเสียงดนตรีเนี่ยอันนี้ไปที่อนุโลม แต่คนพูดถึงการเอาเครื่องดนตรีมาใช้แล้วบอกว่าด่าว่าผ่านเสียงเพลงมันไม่มีทางนำมาซึ่งสิ่งที่ดีซึ่งกลุ่มเนี่ยเหมือนกันครับมาฟังกุรานเ พ, พราะไพเระแต่พอมาเจอกันปุ๊บฮัลยรอกุมมินอะฮัลินเฮ้มีใครเห็นบ้างไงตอนพวกแกไม่แอบฟังเนี่ยอย่าให้ใครมาเห็นนะเดี๋ยวใครรู้เนี่ยเดี๋ยวขายหน้าเลยนะว่าเราแอบมาฟังกุรานหลังจากนั้นก็แยกแ ย, ย, ยกันไปซึ่งพอแยกแยะกันไปพวกเราบอกไงครับซาลาฟลอฮูกลูบะฮุม เบียนหุมกามุลลายัฟกามุลพวก็ให้หัวใจของเขาน่ตระเวไปไกลเพราะเขาไม่ได um ้ใช้ความคิดไงเพราะเขาไม่เข้าใจไงคำเตือนมาชัดเจนแล้วแต่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเราก็จะอักุมรอซูลุมมินอัลผู้ศกุมอัลกซุนอเลห์มะนิทุมฮาริซุนอเลห์บิลมุอเมนินะรอฟุลรหิมฟ้อินทวัลโลฟักุลฮัสบิยาลลาหุลาอิลาห์อินลหุ อ้ยล่ฮิตะวกลตัวหัวรับบุญอารชิลอีนในช่วงท้ายของสรุรัตอบาี่น้องอันนี้อยู่ที่อายะที่หนึ่ง้อยี่สี่ถึงรอยี่สบเก้าพระองได้กล่าวว่าไงครับแน่นอนพระลราพูดให้เราเตือนสติพวกเราแน่นอนาศนาสนทูตของพวกเจ้าได้มาหาพวกเจ้าแล้วนะเขาเป็นคนที่จะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนพวกเจ้าตลอดเวลาสุัสดีนะลาร์พ่นง มันจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้มุสลิมเราไม่รักระซูลท่านระซูลอัสไรซำเนี่ยท่านเป็นเดือดเป็นร้อนเสมอพี่น้องเวลาที่มีเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเราอะไรที่มันจะหนักหนาเกิดขึ้นกับเราท่านอบเีเป็นเดือดเป็นร้อนเสมอท่านอบีจะขอตออ่อร้อนเสมอท่านนบีจะหวังให้มีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเรามีสิ่งง่ายดายเกิดขึ้นกับเราพอละบอกให้เราได้คิดครับเราก็จะอกลุก่มแน่นอนได้ไหมา ม, มาหาพระเจ้าแล้วนะ รอสูลุมินอังคุสิกุมาศาสนทูตที่เป็นพวกของพวกเจ้าเนี่ยที่เขาจะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนพวกเจ้าเวลาที่พวกเจ้าลําบากฮาริสุนอเลิกุมที่พวกเขาเนี่ยที่เขาเนี่ยคือแทดะบีเนี่ยมีแต่ความปรารถนาที่จะให้พวกเจ้าได้รับแต่สิ่งที่ดีงามไม่ได้ปรารถนาเพื่อตัวแท ด, ดีงแต่ปรารถนาให้เราเนี่ยอุมมะของท่านเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีงามมบิมุุอนะอีรรูฟม เป็นผู้ที่มีความเอ็นดูแล้วก็มีความเมตตาแก่ผู้ศรัทธานี่คือมุฮัมมัดรอสูลุละสัลลัลลอฮุอะลัยยุสัลลัมที่ท่านมาเตือนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านอยากจะมาเหยียดหยามเราไม่ใช่อยากจะยกตนข่มท่านไม่ใช่อยากให้เรานั้นดูแย่ท่านเตือนเพราะท่านเป็นห่วงพรวกเราเก่าวในสโลกาฟีว่าท่านแทบจะกระอักเลือดตายในการที่มีคนปฏิเสธสัจธรรมด้วยความที่ท่านแคร์มากๆ นี่คือหัวใจของทา่านนบีหัวใจที่สะอาด ห, หัวใจที่รักเรายิ่งกว่าแม่ของเราที่รักเราเสอีกพี่น้องนี่คือความจริงนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่มุสลิมเราประจักษ์ว่าท่านนาบีนั้นรักเรายิ่งกว่ า, ท, าที่แม่ของเรารักเราเสอีกทั้งๆที่แม่ของเรารักเรายิ่งกว่าใครผัวเล่ากล่าวครับฟาอินตะวัลเลว ศัจจธรรมมาขนาดนี้แล้วหากเขาจะผินออกไปหากเขาจะไม่รับฟังคุณจะเป็นผู้ไปเสียศรัทธาคุณจะเป็นมุสลิมถ้าศัจธรรมมาแล้วคุณเลือกที่จะผินหลังออกไปคุณเลือกที่จะไปเสียศรัทธาฟ่กุลฮัสบิยัลลอฮ์เราก็จงพูดออกไปว่าฮัสบิยัลลอฮ์อัลลอฮ์นะพอเพียงแล้วสำหรับฉันและอิลาัะอิลลัฮูไม่มีพระเจ้าใด น, นอกจากพระองค์ อ้เล่หิตวักแกตุฉันขอมอบหมายตนต่อพระองคคุณจะเลือกทําอะไรเรื่องของคุณคุณจะมีอํานาจเหนือฉันคุณจะมาทําร้ายฉันเรื่องของคุณคุณจะไม่ยอมรับสัธรรมเรื่องของคุณฉันขอมอบหมายจนต่ออัลลอฮฺวาหัวรับบุลอารชินอาดีมและพรวกนั้นเป็นผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลอารชที่ยิ่งใหญ่นี่คือผู้ที่คิดได้นี่คือผู้ที่ได้รับประโยชน์ จากการตักเตือนนี่คือผู้ที่บัวลัทธิสุภานุตรากล่าวว่าเฟสัยยะรักกรุปไม่ยักชาเขาคือเราใช่ไหมเขาคือพวกเราใช่ไหมเขาคือพี่น้องใช่ไหมเขาคือตัวผมใช่ไหมขอดนวญาตจากบัวลัทธิสุภานุตระครับให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกให้เราได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกแล้วก็ขอให้เรานั้นเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ขอให้เรานั้นออกแหงจากมันครับผม ขอทักทายพี่น้องที่รักก่อนนะครับสาหรับพี่น้องที่สละมานะครับผมคุณสวยสละมานะครับไว้คุณสละมุตลลอบวะบารองอกาตูจากทุงคนะครับผมแล้วก็คุณนัสาดาครับสละมายุคุณสละมตลลอบวะบารองกาทุคุณนัสตาซันนะครับสละมายุคเมก็เช่นกันก็ไว้คุณสละมุตุลลอ ว่าบรอกกาตู้ครับคุณเสียยะบอกสลับไม่ทันชมสดก็ดูย้อนหลังเสมออัลฮัมดีแล้วครับแล้วก็ไหวตัวสลมับตัวว่าบรอกกาตู้ครับเสยยะนัดก็รู้ม่นักชานะครับผมคุณไตรที่ให้กําลังใจมาเช่นเดียวกับคุณเสียยะนะครับเดินให้กําลังใจมาก็จะซากรูมลอหูคอยร้อนขอบคุณทุกท่านครับทั้งท่านที่ผมเห็นข้อความแล้วก็ท่านที่ผมไม่เห็นข้อความครับพี่น้องที่รักยิ่งครับแล้วเรามาดูมาดูต่อในเรื่องของการ ตักเตือนเนี่ยถ้าเรามาดูในสุรามาอิดายะที่82ถึง86พู้เล่าบอกให้เรารู้ครับว่าผู้ที่มีความเกรงกลัวเนี่ยไม่จำเป็นว่าเขาต้องเกิดมาเป็นมุสลิมมนุษย์ทุกคนครับมีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อคำตักเตือนแล้วได้ไประโยชน์จากมันแล้วได้ฮิดายะจากมันพู้เล่ากล่าวว่าไงครับแลตจีดันน่าอชัดดันนนศอาดาวตันลีลดีนิอามันุลยาฮูดวลดีนอัชรกู และติาาดแล้วอัครบห์มมวดเดต์ต่อลัทธินั้นผู้ที่กล่าวว่านั้นนัซาระนั่นคือเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความหวาดกลัวคนที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการเตือนเราล่ากว่าองไครับเจ้าจะพบว่ากลุ่มมนุษย์ที่มีความรังเกียจเกลียดชังผู้ศรัทธา ทำตัวเป็นศัตรูกับผู้ศรัทธามากที่สุดนะคือกลุ่มชนชาวอยู่ชัดเจนครับเป็นศัตรูกับมุสลิมอย่างชัดเจนพี่น้องดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่บริทิสตีนที่ปาเลสไตน์เช่นเดียวกันครับกับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์คนที่แองว่ากราบไหว้วหวอัลลอฮ์แล้วเขาก็กราบไหว้สิ่งอื่นแล้วเขาก็ทําชีริกในรูปในรูปแบบต่างๆ พี่น้องไปดูเลยบรรดาคนที่รับชำชีริกเนี่ยนี่จะเป็นศัตรูที่ชัดเจนที่สุดกับคนที่มีเตาหีนต่อหรอเขาจะด่าว่าเขาจะกันเนกกันเหนยเขาจะเกลียดชังเขาจะใส่ร้ายเขาจะยัดเยียดข้อหาไอ้พวกนี้มาเป็นพวกวาฮาบีมาเป็นพวกเออคาบีพี่น้องไปสังเกตยิ่งคนที่ทำชิริกจะยิ่งตั้งตนเป็นศัตรูที่ชัดเจนกับมุสลิมเหมือนกับที่เอบอร์ร่ากล่าวแล้วเช่นเดียวกับยูเพราะอะไรครับเพราะทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่มีทางรับฟังคําตักเตือนถูกไหมละ่ะ ยูรู้จักอสิสลามดีกว่ามุสลิมหลายคนซะอีกแต่เขารับฟังไหมไม่รับฟังได้ประโยชน์จากมันไหมไม่ได้รับประโยชน์เมื่อไม่ได้รับประโยชน์เขาจึงกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดเพราะสัจรธรรมอยู่ต่อหน้าเขาแล้วเช่นเดียวกับมุชลิมรู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอ AH. ัลลอฮ์มุสลิมคือคนที่กราบไหว้อัลลอฮ์แล้วกราบไหว้สิ่งอื่นด้วยเขารู้จักอัลลอฮ์แต่ทั้งทั้งที่รู้จักพูดลอสุบะลาตระเขายัางกราบไหว้สิ่งอื่นได้อยู่ เพราะนั้นพวกเราบอกนี่แหละจะเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดแล้วจะเป็นศัตรูกับมุสลิมมากที่สุดรุนแรงที่สุดพวกเรากล่าวต่อครับแล้วเจ้าจะพบว่าบุคคลที่เขาใกล้ชิดกับพวกเจ้ามากที่สุดดูจะมีความรักกับพวกเจ้ามากที่สุดเขาคือบุคคลที่กล่าวว่าเรานั้นคือนอซอรอเราคือคริสเตียนถ้าพี่น้องไปดูครับหนึ่งในศาสนาที่ว่าคนที่นับถือเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มากที่สุดศา ส, สนาคริสตียนศา ส, สนาที่เน้นความอ่อนโยนในเรื่องของความรักแต่แน่นอนครับในเรื่องของความผิดพลาดก็เป็นเรื่องที่ใหญ่เนหนาสาหัสที่ว่าเขาไปบอกว่าพระเจ้านั้นมีสามทั้งๆ ท, ที่พระลอสมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวแต่ถ้าไม่ใช่ในเรื่องนั้นไม่ใช่ในเรื่องที่เขาทําผิดพลาดเพ่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่แสนสาหัสถ้าตัดเรื่องนั้นไป ถ้าเราดูในเรื่องของอัครลักษ์ดูในเรื่องของมารยาทเป็นกลุ่มชนที่มีมารยาทที่ดีงามถ้าพี่น้องไปดูครับปากหลวงปอบสันตปาป า, ปาส่วนอยากจะเป็นคนที่มีใจบุญจะมีคนที่มีความรักมีความเมตตากับมุสเซซาดผมละบอกนี่แหละ จ, จะพบว่ากลุ่มชนที่มีความรักกับผู้ศรัทธามากที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนที่เป็นชาวคริสเตียนเพราะอะไรครับเพราะเขามีบาทหลวงเพราะเขามีคนที่คอยตักเตือนกันแล้วเขานั้นไม่มี ความยิ่งแย่โสคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าอันนาฮุมลายสักบิรูนลายสักบิรูนตะกัฟบด์ยกว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นพี่น้องคําว่าตะกัฟบด์ถ้าพี่น้องไปดูในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินี่คือคีย์เวิร์ดที่ทําให้คนคนนึงปฏิเสธศัตธรรมมากที่สุดคือการที่เขาคิดว่าเขาแน่แล้วเขาเจ๋งแล้ว ฉันเป็นสมมุติเทพฉันเปรียบถมเหมือนพระเจ้าหรือฉันแน่ฉันรู้มากกว่าใครพี่น้องไปดูเลยในประวัติศาสตร์ดูทั้งหมดพี่น้องเริ่มตั้งแต่อิบราฮิมเลยถามว่าทําไมอิบราฮิมจากที่จะเป็นดีๆเนี่ยทาไมกลายเป็นชั่วร้ายที่สุดเพราะตะกรับบดไงฉันดีกว่ามั่นฉันดีกว่าอาดัมผูงสร้างฉันมาจากไฟสร้างมันมาจากดินผลสุดท้ายเสียหายเช่นเดียวกันกับลูกของนบีอาดัมฮาบินกับกอบินทําไมถึงโกรธเกลียดกันครับเพราะคิดว่าฉันเหนือกว่า อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยดูสมิมันหอมมันหอมมันหอมกระหลงเนี่ยทําไมมันได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ฉันอยากจะแต่งงานด้วยแตกับบทใช่ไหมหญิงแสโสคิดว่าตัวเองเหนือไงอะไรทําให้นำรุษเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดสุดคนหนึ่งความแตกรับบทอะไรทําให้เฟรดอุลเป็นคนที่ชั่วร้ายแตกับบทอะไรทําให้ฮามานกอรุนเป็นคนที่ชั่วรา้ายที่สุดแตกับบทคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองใหญ่ไม่ยอมรับฟังเสดงพี่นกไปดูในหน้าบริษั์ทุกคนเลย หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คนพบความหายนตมากที่สุดคือคิอคดว่าตนเองเนี่ยเหนือกว่าผู้อื่นเช่นเดียวกับมุสลิมผมขอเตือนมุสลิมทุกท่านเริ่มจากตัวผมเองก่อนคําว่าตะกรบด์นี่แหละจะเป็นหายยนะที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเราซึ่งท่านอบีมลมฮัมหมัดสุลต่ามเตือนไว้ว่าฉันกลัวเรื่องของตะกรบด์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวซบาบะก็กลัวว่าจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเรื่องของนีฟากเรื่องของการตะกรบด แต่เราจะพบว่ามุสลิมบางคนตะกับวทแบบแบบน้าด้านดันได้แบบไม่อายใครอะ่ะบางคนเอาเชื้อชาติมาเนี่ยฉันเป็นเชื้อเชื้อสายนบีนะแต่ไม่ทําสิ่งที่ดีเชื้อสายยังประโยชน์ไหมไม่ยังประโยชน์บางคนบอกเนี่ยฉั น, นเป็นแขกเนะเชื้อฉันสูงเนียฉันเป็นจีเนี่ยเชื้อฉันสูงเนี่ตะกรับบทบางคนบอกดูสิเสื้อผ้าที่ฉันแต่งตัวเนี่ยฉันแต่งเสื้อผ้าเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยแล้วพวกแกเนี่ยแต่งเสื้อผ้า ราคาถูกๆแต่กับบทอาคารของชั้นใหญ่โตแต่กับบทว่าอันนัุมลายซักบิรุณคนที่จะได้ดีพี่น้องครับกรุณาทําความเข้าใจจําให้ขึ้นใจผมก็จะต้องจําให้ขึ้นใจด้วยหนึ่งในเหตุที่จะทําให้มุสลิมพบกับความตกต่ํามากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือความตะกับบทหญิงยะโสคิดว่าตัวเองแน่ คิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามครับบุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากการตักเตือน mm. เขาคือคนที่ไม่มีความตะกรับปดเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาเตือนเราพี่น้องเช็คตัวเองเลยว่าเราตะกรับปดหรือไม่ตะกรับปดดูว่าเรายอมรับคําตักเตือนไหมบางทีเขาเตือนผิดโอเคเตือนผิดแล้วก็อทำใจแล้วแปลว่าเราไม่ผิด แต่ถ้าเขาเตือนถูกอัรทำโดยเราเราได้ประโยชน์เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างคําตักเตือนพี่น้องอย่างน้อยที่สุดมีสามรูปแบบเตือนในสิ่งที่มันเป็นความจริงอันเนี้ยเราต้องได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดอันที่สองเตือนในสิ่งที่รู้เลยว่าเขาเตือนผิดอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเขาหวังดีเขาเตือนเราแต่ที่เขาเตือนมันมันไม่ถูกการทำโดยเไปกับอันที่สามเราไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือมันผิดแล้วก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ทางนําเราเราให้ทางนําแก่เขา มุสลิมต้องได้รับประโยชน์จากคำตักเตือนนะพี่น้องมุสลิมหัวเด็ดตีนขาดคุณต้องได้รับประโยชน์จากการตักเตือนต่อให้มันจะออกมาจากปากของคนที่คุณเกลียดแค่ไหนก็ตามนี่คือมุสลิมครับเพราะเราอยากพัฒนาตนเองเพราะเราอยากมีหัวใจที่สะอาดเพราะนั้นต่อให้มันจะออกมาจากคนที่เราเกลียดแค่ไหนถ้ามันคือสัจธรรมเราก็พร้อมที่จะรับไม่ใช่ว่านี่มาจากคนที่ฉันเกลียดฉันไม่รับ แล้วไม่ใช่ว่าเนี่ยมันผิดเห็นๆแต่มันมาจากคนที่ฉันรักฉันจะรับอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ากล่าวต่อครับในสมัยดะว่าดังนัสามืู่มาอุนซิละอิลัสสูลตราอายูนั้หุมตตฟีดุมินต์ดัมิมิมมาอัลรฟูมินัลฮัก็ ยกูดูนารบบนานาอัมานนฟักทุกนามอชัชฮัดินพอเราพูดถึงกลุ่มชาวคริสเตียนที่เป็นกลุ่มที่ยอมรับสัจธรรมพอละากล่าวว่าไงครับแล้วเมื่อเขาได้รับฟังสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับทรศรัตน์ศาสนทูตเจ้าจะพบว่าตาของเขานั้นหลั่งน้ําตาออกมาจากการที่เขารู้ว่ามันคือสัตรธรรมแล้วเขาจะพูดว่านายของเราเราศรัทธาแล้วโปรดบันทึกเราให้อยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นสักขีพยานด้วยเถอด พเพอเลาพูดถึงเรื่องราวของกษัตริย์นาจาชีตอนที่มุสลิมอพยพไปเมืองฮาร์บาช่า ย, ยัางที่เราทราบอพยพไปปุ๊บก็พวกกูเรชเนี่ยก็ส่งทูตไปมีของมีบัญญัติการมีอะไรส่งไปให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมิญะโพรนี้เป็นพวกนอกขอบมาสร้างความแตกแยกในกลุ่มของเราตอนนี้มันมาอยู่เมืองคุณระวังนะเดี๋ยวมันจะสร้างสร้างความแตกแยกในเมืองคุณนี่คือข้อหาที่ศัตรูอิสลามสร้างตอนนี้ถูกไหมครับ หรือพวกราเป็นพวกสร้างความแตกแยกพวกวาาบีพวกเอธฮาบีพวกอะไรก็ตามแต่แต่ผู้ที่มีสติปัญญาเขาใจไขขวรกษัตริย์นาจาชีพอได้ยินปุ๊บเขาเรียกมุสลิมมาถามว่าเนี่ยใช่ใช่มันคือความจริงหรือเปล่าซึ่งพอกษัตริย์นาจาชีได้รับฟังสัจธรรมได้รับฟังอยิยากุรอ่านเกี่ยวกับเรื่องค่าวราวของนบีอิซาเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่ของท่านนาบีอิซาท่านหญิงมารยัม กษัตริยชาชีพอได้ยินปุ๊บร้องไห้ร้องไห้เลยแล้วก็บอกว่านี่แหละคือสัจธรรมนี่แหละคือความจริงที่ถูกปกปิดมาที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เข้ารับอิสลามแน่นอนข้นการเข้ารับอิสลามของท่านนั้นเป็นการเข้ารับแบบปกปิดด้วยกับปัญหาหลายๆอย่างแต่อย่างที่เราทราบก็คือในตอนท้ายตอนท่านเสียชีวิตท่านอับดุลเบบีมสุสลิมฮานอิย์สแมก็ละหมาดให้กับท่านนี่ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าท่านนั้นเป็นผู้ศรัทธา วาม ا ล ن, ن, ن, ن ا لا نؤمن بالله وما شاءنا من الحق ونتمع أجد ال خلنا ربنا ملقو مسالهين سبحان الله พี่น้องคนที่รับศาทนาเขาคิดแบบนี้ไมเซ็ตก็<อ>เป็นแบบนี้เราพยายามคิดแบบนี้ให้ได้ผมจะพยายามคิดแบบนี้พี่น้องพยายามคิดแบบนี้ให้ได้พี่น้องรู้ไหมกษัตริย์นาตาชีหรือคนที่รับศาสนาทั้งหลายเนี่ยพี่น้องที่มาเข้ารับอิสลามในภายหลังเนี่ยที่ไม่ได้เป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดเนี่ยที่เขาเข้ารับเพราะศรัทธาเนี่ย นี่คือหัวใจของเขานี่คือความคิดของเขาเขาคิดว่าวมาและนาลาณุเมนูบินลแล้วมันจะมีเหตุใดห้ามเราจากการศรัทธาอีกล่ะคือทำไมเราจะไม่ศรัทธาล่ะในเมื่อสัจธรรมมาหาเราแล้วเมื่อมีความจริงมาทำไมจะไม่รับความจริงนี่คือหัวใจที่สะอาดปราศจากอคติวานัตมอูแล้วเราก็ปรารถนาเหลือเกิน ว่านายของเราจะให้เราอยู่ในกลุ่มชนที่ดีพี่น้องถ้าเกิดเราให้ควรอาย่านี้ดีๆเนี่ยหัวใจเราจะสะอาดขึ้นอีกเยอะพี่น้องหัวใจเราจะสะอาดเราจะยอมรับการตักเตือนได้มากขึ้นเราจะละวางความโกรธเกลียดได้มากขึ้นความโกรธเกลียดที่เป็นฟิชนอ์ในปัจจุบันที่ว่าต้องเป็นกลุ่มของฉันเท่านั้นที่ฉันจะฟังหรือกลุ่มอื่นมันต้องผิดอย่างเดียวพี่น้องเอาวักนี้อยู่ในใจได้ไหม เอาวักนี้อยู่ในใจได้ไหมที่บอกว่าแล้วทำไมล่ะที่เราจะไม่ศรัทธาในเมื่อสัจธรรมมันมาแล้วแล้วเราก็ปรารถนาจะให้นายของเราให้เราอยู่ร่วมกับกลุ่มชนที่ดี วละอาดับพวมเขาดวยิ่าทกเขาพูชันนทร์ที่จะมีน้ำจากใต้น้ำที่ัลอันคารทาทายของผู้ที่ไม่เชื่อและผู้ที่มแลด้นบการูด้วยอบวามอเามากนั้นนั่คอาาทายของู้ที่ไมเชแลู้ทีเชลรับการเด้ตขอบแานเขามาจากนสิ่งที่เขาพแลู้เพราะเขาพูดามาจากใัแนนกรท้าขงทมเรับรเขาง ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยกับสวรรค์ที่มีทาน้ำหลากหลายไหลผ่านเขาได้อยู่ในนั้นตลอดการนี่คือการตอบแทนของบุคคลที่เลือกที่จะเป็นคนที่ดีในขณะที่ผู้ไปเสัทธาแล้วปฏิเสธองค์การของอัลลอฮ์พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นพวกของจะรีนผู้ที่ต้องถูกลงโทษในไฟนรกนี่คือศัธรรม นี่คือสัจธรรมครับที่พระลอสุภาหานุวัตรกล่าวไว้ฝันักษรอินนาฝะอติดิกรรสยันยักษ์ระูมัยยักษชาจงไข่ควรสิจงไข่ควรสิจงพูดให้ได้คิดกันสิเพราะแน่นอนผู้ที่มีความกลัวเกรงเขาย่อมจะคิดได้ครับอินชาลอสครับตอนนี้เราจะพูดกันแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปครับถ้าเกิดเราได้มาคุยกันต่อเราจะมาคุยกันว่า แล้วผู้ที่ยำเกรงเนี่ยมีโอกาสไม่ที่จะพลาดอีกหรืออะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับผู้ที่กลัวเกรงต่ออัลลอ์แล้วอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันใ น, นตอนต่อไปนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดอีกสิ่งหนึ่งหากว่าเราเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนแล้วครับผมก็ ผมพูดในสิ่งที่พี่น้องได้รับฟังนะครับถ้าเกิดพูดอะไรผิดพลาดไปพี่น้องทักได้ตักเตือนกันได้แล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรมีคําชี้แนะอะไรผมยินดีรับฟังครับผมขอทักทายพี่น้องนะครับก่อนที่เราจะพักเบรกในช่วงนี้นะครับคุณกิติศักดิ์สลามมาคุณสลามาัามามตุลลอฮุบารักาตูจะสักขุมละขึ้นคอยรอนครับอ า, อาจารย์ขลิตนะครับบอกกระบี่ชัดเจน เช่นเคยนะครับผมจะจารกุลมุญละอัครับกับคุณท่านอาจารย์มากๆนะครับผมคุณฟรติมาอธีนะครับสลามมาวัาาววริคมุสลามตละอัครบาริกาตุท่านไดสลามมาผมมีข้อความขอมาฟอีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้เราพักกันแค่นี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงของอฟิกนะครับการละหมาดตามท่านับดลี๋มุสลามอัลสลมอินชาอัลลอฮ์ครับซุบานะกะลบัฮ ม, มดิกะอัชฮะดอัลไลลัยลนตาซักวะตลัยสามิบุญละอัครบรกาตุครับ